อันนี้มันเป็นมันเป็นศาสตร์ที่เชื่อถือได้ก SO ็เลยจะเรียนเรื่องก็เป็นศ<ห>าสตร์ที่เชื่อถือได้ครับประเดิษฐ์คุณหลวงพ่อครับ<ม>เพราะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ทรงเคยเรียนมาเ<ม><ม>ขาเรียกว่าโหราศาสตร์พุทธเจ้านี่ท่านเรียนมาหลายศ า, าสตร์มากศาสตร์มีเยอะแยะมากมายนะพุทธเจา้า<ม><อ>พระองค์นนนรงทรงเรียนมาโดยเฉพาะเรื่องโหราศาสตร์นี่พระองค์งงก็ทรงได้ร่ำเรียนมา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 คือหลังจากที่ท่านอเกิดมาแล้วเนี่ยคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็กลัวว่าอลูกเนี่ยเกิดมาเนี่ยังไงก็ต้องเป็นโจรแน่นอนก็เลยแก้เคล็ดแก้เคล็ดด้วยการตั้งชื่อลูกว่าอาหิงส ก, กะกุมารซึ่งก็แปลว่าอ่าเด็กกูมานผู้ไม่เบียดเบียนใครหรือว่าเป็นการแก้เคล็ดตั้งชื่อแก้ไว้ก่อนอ่าส่วน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 เป็นวัยเด็กเข้าเรียนหนังสืออะไรหรือเปล่าครับก็หลังจากที่อ่อหิงสากากุมานี้โตจเจริญไวได้เต็มที่แล้วก็อ่คนที่เป็นพ่อกับคนที่เป็นแม่ก็หวังดีอ่าอตารมาเชื่อนะเชื่ออย่างเหลือเกินว่าอของคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่อ่ย่อมที่จะหวังดีต่อลูกครับพระเดชประคุณหลวงพ่อครับคือให้การศึกษา คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จัดการพาอาหิงสกากุมารไปไปโรงเรียนเรียกว่าไปโรงเรียนสมัยนั้นก็โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็เป็นตากศิลา อ, อาจารย์ประจำสำนักก็คืออาจารย์ที่สาปามโมกอันนี้ก็ถือว่าได้เป็นถือว่าเป็นสำนักที่ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมากพ่อแม่ก็นำอาอหิงสกา ก, กุมานนี่ไปศึกษาเรียน ศิลปะวิทยาความรู้ต่างๆอยู่ที่นั่นครบก็ไปเอาไปฝากแล้วก็เอาไปเลี้ยงเอาไปศึกษาเรียนจนกระทั่งเติบใหญ่เป็นหนุ่มวัยเป็นหนุ่มเจริญเติบโตครับประเด็นทุกคนครับได้ขาว่าด้วยการที่ท่านเรียนเก่งเนี่ยเป็นที่รักของครูบาอาจารย์มากใช่ไหมครับอ๋อครับเป็นที่รักของครูบาอาจารย์แล้วคุบาอาจารย์ก็เรียกใช้ซอยใกล้ชิด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 ไปฟ้องอาจารย์ไปฟ้องอาจารย์ที่สา ป, ปาโมกขท่านอาจารย์อนี้ยอ้หิ้งสกะกรมาเนี่ ย, าานนยไปมีชู้นะไปมีอะไรกับกับเมียของท่านนะบางทีก็ไปฟ้องว่าอ้หิงสกาักรมานเนี่ยคิดจะล้มล้างท่านนะคิดจะสังหารท่านเพื่อที่จะยึดสำนักนี้เป็นอาจารย์เสียเองอไปครั้งแรกฟ้องครั้งแรก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 ทีนี้อหิงสกะกุมานเนี่ยเป็นเด็กดีขนาดนั้นแล้วก็อาศัยสิ่งแวดล้อมคือเพื่อนกลยาณมิตรไม่ดีนะฮะครับกลยันนามิตรไม่ดีก็ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปจากเด็กบริสุทธธรรมดาเนี่ยทีนี้ไอ้การที่ครูบาอาจารย์เป็นส่วนสําคัญนะครับครับครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าไม่หนักแน่นก็สามารถที่จะถูกปั่นให้ให้เข้าใจ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 เด็กนักเรียนที่ที่อยู่ในความดูแลของของกระผมนะครับาบางทีก็ติดเรียนอาติดขอภยัยติดเกมเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นอะไรต่างๆเนี่ย ม, มันคือมันคล้ายๆกับว่าเด็กสมัยนี้มันคล้ายๆกับว่าเขาเขาเขาไม่ไม่ค่อยจะยอมรับฟังเราเท่าไหร่คือเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยจะเชื่อฟังผู้ใหญ่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังผู้ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เรียกได้ว่า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 ให้เด็กนั้นออกมาจากตรงนั้นให้ได้อันนั้นคือคือเป็นประเด็นสําคัญนะครับครับอ๋เนี้ยก็ตรงนี้ผมแวะเข้ามาจุดหนึ่งที่หลังจากอาหิงสกะกุ ม, มารถูกเล่นงานแบบนี้นะฮะมาเพื่อนไปแย่อาจารย์ทุกวันทุวนอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นไม้หลักกเนา ะ, ะโยกระโยคมามันก็คลอนสันคอนวันหนึ่งทีนี้เมื่อ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 หลายคนหลายท่านคงมีคําตอบในใจ <c oughs> นะเอเ อ, เอนะควาคิดนะครับอันนี้อันนี้สําคัญมากนะ <c oughs> นเด็กดีเนี่ยเขาเรียกว่าหายากหายากกว่าเด็กเก่งแต่ทําง่ายกว่าใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> แต่ทําง่ายกว่าทําง่ายแต่หายากทําง่ายแต่หายากแต่ว่าทางเด็กเก่งเนั่นทําทยากแต่หาง่ายครับเออมันหมายความว่ายังไงพเจนก็เด็กเก่งนี้เ้าเรียกว่า เราสามารถที่จะฝึกกันได้ฝึกฝนกันได้ <c oughs> เด็กธรรมดาสามารถที่จะทำให้เป็นเด็กเก่งได้ <c oughs> แต่เด็กเก่งเนี่ยาการที่จะฝึกเด็กสักคนให้เป็นเด็กดีนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ <c oughs> เอาอย่างง่ายๆเอาอย่าง <c oughs> ลูกเร า, าลูกเรา ท, ที่อยู่ที่บ้านเราบางทีเถียงคำไม่ขอใครเถียงคำไม่ตกฟากใช่ไหมอ่าเถียงคาไม่ตกฟากบางทีเขาม า, าเราพูดไปแค่คืบ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 เขาไปไปโทษแม่ครับทีนี้พอเด็กคนนี้ก็เลยถ้าไปหาพ่อพ่อไม่เอาใจก็ไปติดแม่ถ้าไม่เอาใจก็ติดแม่คุณไหนไม่เอาใจคือการที่ไม่เอาใจคือต้องการสั่งสอนครับนะพอสั่งสอนแล้วมันไม่ชอบเด็กทุกวันนี่นะครับแต่มไม่ชอบแต่ถ้าหากว่าไม่สั่งสอนไม่อบรมแล้ว ต, ตามใจทุกอย่างเด็กก็เสียคนเพราะพ่อแม่เขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกสปอยนะครับซึ่งในอเมริกานี่ปัญหาใหญ่ที่สุด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 คนไหนจบก่อสร้างเนี่ยเขาเรียกไว้ก่อน <ST AR F 1> แต่ที่เป็นภาคกรรมาฐานมาสมัครเนี่ยไม่ค่อยมีนะอาจารย์ครับครับหายาก <ST AR F 1> หายากมากครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จึงอยากจะอ أ, บอกว่าการที่อ ง, องค์คุลิมาเนี่ยการเป็นโจลด้วยความจําเป็นเพราะในสมัยนั้นเขาแข่งขันกันในสํานักที่สามรรโม่ต่างคนต่างเก่ง <ST AR F 1> แต่ว่า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 ข่าวของจนองคุลิมานเนี่ยได้แพร่สะพัดไปทั่วเลยเรียกว่าดังดังไดว่าดังจนชุดไม่อยู่ดังเป็นผู้แตกเลยมไม่มีใครไม่รู้จักลูกเล็กเด็กแดงรู้จักทีนี้เมื่อข่าวออกมาแบบนี้พระเจ้าประสิทธิที่โกศลซึ่งเป็นพระราชาปกครองคข้นนั้นท่านก็ได้เขาเรียกว่ารับสั่งนานนี้จับตาย จับตายเสร็จก็ก็ได้สั่งให้ไพ่พลแล้วก็ทหารต่างๆเนี่ยออกติดตามคนเป็นแม่หอัอกคนเป็นแม่ญาติยมเมื่อรู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยะจะถูกเรียกว่าจะถู ก, ถกตามตามล่านะนี่ว่าจะถูกถูกตามฆ่าเรียกว่าทางการตอนนี้ทางการสั่งแล้ว จับตา อ, อย่างเดียวออคนเป็นแม่ออกหมายจับแล้วว่า ง, งั้นเอออกหมายจับแล้วครับ <c oughs> แต่ยังจับไม่ได้เ <c oughs> อ้ยจับไม่ได้ <c oughs> ครับ <c oughs> เสร็จอ่าคนเป็นแม่พอรู้ข่าวว่าทางการเนี่ยออกหมายจับแล้วติดประกาศทั่วเลยเนื้อใต้ออกตกจับให้ได้เสร็จคนเป็นแม่เนี่ยโอ้โกคนเป็นแม่เนี่ยเขาเรียกว่ามันมันมีความเขาเรียกว่าผูกพันแล้วก็รักลูกรักมากก็เลยตัดสินใจ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 อเขาจะไม่เหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนดึกๆึกเนี่ยเกาเรียกว่าอา่าปัจุเสวสเตเ ก, กาเล่พับพาพับเพ ว, วิโล ก, กนังของขไปจําไม่ได้มือไม่ฮัตครับก็พอตานใกล้รุ่งเนี่ยพระองค์ก็จะทรงตรวจ ด, ดูอุปนิสัยว่ามีใครที่พระองค์ทรงจะพอที่จะไ ป, ปโปรดได้อันนี้เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระเราเนี่ยอ่า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 ฉันไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับรู้สึกกระสับกระส่ายตอนแรกอัตามาภาพอตอนแรกอาตามาภาพนี่ขนาดนอนไม่หลับนะฉันไม่ค่อยได้นะตอนแรกนอนไม่หลับครับก็นอนนอนไม่ค่อยหลับครับว่ารู้สึกกังวลใจว่าที่วัดแห่งนี้เนี่ย อมีปกติมีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมสําคัญมีการเทศมีการฟังธรรมมีการส่งเสริมให้คนทําความดีอซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจวัตรเป็นเป็นเรื่องที่ปล่อยอาตมาภาพก็อมาเขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่า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 รับปาเทศต่อจากนั้นก็ทุกครั้งที่นอนเนี่ยอาตมาภาพก็จะไม่ลืมเอาแขนซ้ายแขนขวามากานา่นะพอานอนแล้วยิ่งไปกว่านั้นเอ่อยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก่อนหน้านี้อาตมาภาพทราบว่าจะได้เทศกับพระเพื่อนที่เป็นอเพื่อนรุ่นเดียวกันคือท่านพระมหาภัยพระอาจารย์ก็อาตมาภาพก็รู้สึกโลง่งโล่งนิดหนึ่งนะแล้วก็เมื่อสองวันล่าสุด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 ครับพอพระสงฆ์แต่แยกชาวบ้านก็ต้องแตกแยกด้วยก็ต้องแต่แยกด้วยเพราะว่าที่เวกัสส่วนหนึ่งที่วัดมันเพิ่มขึ้นบพระสังกัเพศด้วยหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจปัญหาอะไรยังเห็นปัหาไม่แน่ใจเห็นปัญหาเลยังอวานักอ่ะถือว่าเป็นคัอันนี้อันนี้ถือว่าพระเถระภูดหลวงพ่อท่านพูดถูกนะโยมนะว่าพระเนี่ย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 ครับแต่ทำไมมาเลือกตามพระไม่ไม่เลือกตามแม่ก่อนอ่าดูน่าสนใจกว่าอันนี้ตามที่ได้ศึกษามานะอ่าแม่เนี่ยขออภัยแม่เนี่ยอ่าก็ดูแล้วไม่ค่อยน่าฆ่าเท่าไหร่รพอพอเจอพระเจ้าพระเจ้าปรากฏต่อต่อหน้าปุ๊บโอ้มีรัศมีพวยพุ่งผิวพันวันละผ่องใสอผิวกายดูแล้ว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 น้ำหูน้ำตาไหลน่าสงสารนะหนึ่งภาพเสร็จก็วิ่งไล่วิ่งยังไงก็ไม่ทันเสร็จก็ตะโกนตะโกนอ่าลองลองเรียกพระพุทธเจ้าว่าสมณะพระองค์ครับหยุดก่อนครับหยุดก่อนหยุดเถอะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ส่งหยุดครับส่งหยุดตอนแรกยังไม่หยุดนะครับตอนแรกก็ยังไม่หยุดพระพุทธองค์พระองค์ก็ส่งตอบว่าเราหยุดแล้ว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 พระฤาษีเพราะราช ก, กุมารมีคนเป็นคนมีบุญเพราะรู้ว่าพระราชาทำท่าจะหาวิธีกินลูกของตัวเองเขาเขาเดือดร้อนถึงพระฤาษีกรับที่เป็นอาจารย์เก่าก็เลยมาโปรดก็มาโปรดวา่าการที่พระองค์ทำอย่างนี้้องอพิจารณาดูให้ดีว่าอะไรเป็นสาเหตุที่พระองค์ได้ติดตรงตรงตร ง, ตรงนี้ก็บอกว่าถ้าท่านกินเนื้อบุตรก็เหมือนกินเนื้อตัวเอง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 กินคนมาก่อนเหมือนก็เฮอฆ่าคนสมัยนี้เพราะนั้นเองด้วยวิบากกรรม น, นั้นทำให้เธอต้องเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเธอจึงหยุดถ้าเธอไม่อพบเราตะถาคตนั้นเธอก็จะต้องไปตกอยู่ในอเวจี G, ไม่มีเวลาได้ผุดได้เกิดหลังจากนั้น องคุลิมานก็เลยเป็นไงขอบวชใช่ไหมครับก็ ค, บคือได้สติได้สตินะได้สติแล้วขอบวชเลยขอบวชโอ้กโก็กลัวยุ่มได้สติเหมือนกันนะั <c> ่น <oughs> ได้สติขอบวชที่วัดมันมีข้าเลี้ยงในวนะัดเดือดร้อนนะครั บ, รบ <c oughs> ทีนี้หลังจากท่านได้สติขอบวชแล้วตรงนี้เหตุการณ์ต่อไปเป็นไงครับก็หล <c oughs> ังจากนั้นก็อ่าเป็นเรื่อง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 ว่าตรงนั้นไงตรงขุลีมานนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นพระภิกษุบวชเป็นพระภิกษุแล้วพระราชาตกใจครับทุกคนครับเป็นยงเลยใครบ้างไม่กลัว <c oughs> ครับก็เรียกว่าตกใจกครับโอ <badges. S 2> ก็ตกนลงว่าออพระราชานี i ก็เลยไปพบอุลิ ม, มานแล้วไม่ได้ฆ่าครับนะแล้วก็พระมารดาก็เข้าไปฝังธรรมคือนันนางมันตานีนะครับก็ไปฝังธรรมตัวนั้นด้วยครับ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 คนยากคนจนคน อ, อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรียกว่าต้องอยู่ในกฎแห่งกรรมไม่มีใครร่วงพ้นกรรมไปได้อันนี้ก็ผมมองว่าเป็นเรื่องของอเรื่องของกฎแห่งกรรมครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับถึงกรรมนะแล้วก็ทิงที่พ่วงแถมมาหลายๆด้านก็คือว่าหนึ่งเราได้เรื่องของว่า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 อย่างที่การเล่นการพนันเ น, นี่ยนะเป็นเรื่องของความถูกใจนะครับที่นี่มาวัดเนี่ยถูกพระขูดพระเราค่ะเหล่าพร ะ, พระแต่งใจอยู่ทุกวันนี่ฟังแล้วขัดใจนะบางครั้งนะั <c oughs> เป็นเรื่องของถูกต้องแต่มันขัดใจนะครับ <c oughs> แต่คนมักจะไม่อชอบเรื่องขัดใจแต่ชอบเรื่องถูกถูกใจถูกใ จ, กใจครับเพราะขัดได้ยิ่งขัดยิ่งเงายิ่งใสยิ่งงามใช่ไหมครับ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 ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างไงเพื่อเราจะได้ไม่หลงทางเรียกว่าขันธทูละเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยศึกษาเรื่องแผนที่ก่อนอันที่สองมาศึกษาเรื่องการเดินทางคแล้วหน้าที่ของพระก็มีสองอย่างแต่ปรากฏดอันฟ n f o r t u n a t e l เป็นที่น่าเศร้าใช่ไหมพราเราไม่ค่อยเดินตามทางสองอย่าง2ทางนี้มากเชอบออกลอกลู่ลอกขา เพรา ะ, ะ้การที่เดินไปวินัยบาตรเขากระทบไหลนี่ก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครับเขาชอบนอกาทางเขาเลยกระทบเราไงนะครับก็ <laughs> <ม>อโอเคก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ที่ได้ตั้งใจตั้งใจฟังตามที่เราได้ทราบบทพระบาลีว่าสู ส, สังละปฏิปัญญงฟังด้วยดีจมเกิดปัญญาทุกสูสังละปฏิตันหังฟังไม่ดีก็จะเกิดตัณหาดังนั้นก็เราได้รับ